เชันเอนเตอร์เทนเมนต์ใจเสนอเรื่องราวแห่งความรักการเสียสละและการให้อภัยแม่สเสรียงที่รัก ผมจะไปอีกครั้งอาทิตย์หน้านะครับอ๋อหรือถ้าคุณเทพอยากไปในวันนี้เลยก็ได้นะไปจากนอยแม่สลียงนี่เหรอหมอครับเพื่อคุณเทพมีทุระต้องสะสางก็ไปทําได้แล้วเพราะแผลที่รักษาเนี่ยดีวันดีคืนไม่มีแผลอักเสบเลยคุณเทพอยากไปจากนอยแม่สลียงมากไช่เชลครับคําถามของพ่อเหมือนเหมือนทำเอาเราเองก็ใจหายเหมือนกันถึงแม้ว่าหมอจะไม่ได้พูดกับเราแต่พูดกับคนเก็บกดตามแต่เราก็รู้สึกใจหายมากมา ก, มากเชล ถ้าพนุ่มคนนี้ไปวันนี้ก็หมายความว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกแล้วละสินางศิลาเอ้ยลูกอยู่ไหนละเนี่ยรู้ไหมนะว่าพอนุมเนี่ยมันกำลังตัดสินใจว่าจะอยู่ที่นี่ต่อหรือจะไปจากที่นี่แล้วให้ให้เราตอบเราตอบโดยไม่ต้องคิดเลยว่าพอนุมจะต้องไปจากที่นี่อย่างแน่นอน ก็พูดอยู่เสมอนี่ว่าที่นี่มันสกปรกไม่อยากอยู่ที่นี่เลยนี่แถนลูกของเรามันรู้ว่าพ่อ ม, มนุ่จะต้องไปจากที่นี่แล้วลก็มันจะรู้สึกยังไง ถ้ามีข้าวของอะไรจะต้องเอาไปไหมครับไปเลยเราก็ไปจากดอยแม่สรดีแห่งนี้แล้วจริงๆเลยเนี่ยดอยแม่สรีสวรรค์บนดินแท้ๆเลยไปได้เป็นฝันเลยว่าเกิดมาเกินในชีวิตของเราเนี่ยจะได้รับสิ่งดีๆจากนี่สิ่งดีๆที่ที่อื่นนะหาไม่ได้อย่างแน่นอนแร้วถ้ามีที่อื่นด้วยก็คงไม่มีโอกาสสําผัสน้อยคนนะที่มีโอกาสแบบนี้แล้วเราล่ะแต่เมื่อเรามีโอกาสแล้ว ท่เป็นอะบ้าเก็บเกี่ยวสิดีๆเหล่านี้ให้นานเท่านาล่ะหรือว่าแค่นี้ก็พอแล้วเหรอสําหรับคนกรูอย่างเราสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้าก็คือภารกิจอันยิ่งใหญ่ในบริษัทของเรารอเราอยู่เราควรจะกลับไปเพิ่งก็อยู่ที่นี่จริงเหรอคุณเทพครับพอหนุ้มเอ๋อครับพระเท่าเป็นอะไรไปหรือเปล่าเปล่าครับผมไม่ได้เป็นอะไรพระเพ้าเท่าดีใจไม่ที่หมออนุญาตให้พอนุ้มไปได้แล้ว แสดงว่าเองหายดีแล้วนะ <c oughs> ข้าดีใจเหลือเกินที่เองหายดีแล้วพ <c oughs> ่อ่าครับพ่อเท่าใหญ่ผมอยู่ที่นี่มาฮะอ๋อไอ้อ เ, ออเรื่องนั้นมันของแน่อยู่แล้วละแต่ข้าคงจะรั้งเองไว้ไม่ได้หรอกนะทุกคนมีชีวิตเป็นของตัวเองต้องดำเนินตามวิถีชีวิตที่ตนเองเป็นผู้ขีดเส้นเอาไว้น่ะไม่ต้องคิดมาก คนเรามีพบมันก็ต้องมีจากมันเป็นเรื่องของธรรมดาอยู่แล้วตัว่าพระเท่าครับข้าเข้าใจความรู้สึกของเองดีพ่อหนุม่มคือว่าผมไปเหอะเองมีทุระต้องทาอีกเยอะที่สำคัญทางบ้านของเองคงจะเป็นห่วงเป็นใ ย, ยเองเหลือเกินแล้วละ่ะแม่อืมพ่อแม่ของเองคงจะเป็นห่วงเองมากๆแล้วล่ะนะผมเหลือแต่แม่คนเดียว้พระเท่าอองั้นเหรอครับพระเท่า งั้นก็กลับไปหาแม่เองนะแล้วศิลาราภเท่าเอ็งไม่ต้องเป็นห่วงมันหรอกเดี๋ยวมันกลับมาเนี่ยข้าจะเป็นคนบอกมันเองแล้ววันข้างหน้าเผื่อเอ็งมีธุระปะปังแถวๆนี้ก็อย่าลืมแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนกันนะพ่อหนุ่มนาครับพ่อเท่าขอบคุณมากเลยนะครับพ่อเท่าขอบคุณสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปดีมาดีโชคดีตลอดไปด้วยละ่ะขอบคุณครับพ่อเท่าก็เหมือนกันนะ ยังไงล่ะหรักษาสุขภาพด้วยเราหน้าผมมาหาเนี่ยคุยพอเท่าจะแข็งแรงเหมือนเดิมเหมือนก็ตอนนี้เลยนะขอบใจที่เองอวยพอให้ข้าขาดจะพยายามดูแลตัวเองให้แข็งแรงตลอดเวลาเพื่อที่จะได้เห็นหน้าเองอีกครั้งยังไงล่ะครับพอเท่าเอาล่ะไปเหอะอยู่นานเดี๋ยวก็ร้องไห้กันเท่านั้นหรอกฮะผมไปนะพอเท่าอือืมอแล้วก็ต้องกราบที่ตักพอเท่า จะไม่ขัดเคิรดแอย่างใดเรากราบด้วยความเต็มใจไม่มีอคติอะไรเลยสําหรับพระเท่าคนดีแล้วดีละเกินดีจนเราให้ความเคารพเป็นพ่อได้อย่างไม่อายใครเลยฉลักขอบใจมากนะปอนุ่มข้าเกิดมาก็มีครั้งนี้แหละที่มีคนกลมกราบที่ตักข้าข้าดีใจละเกินที่ความดีของข้าเนี่ยังมีคนกลุงอย่างเอ็งมองเห็นแค่นี้ ข่าก็ดีใจภูมิใจแล้วล่ะเองเอ้ยผมไปนะพ่อเฒ่าอืมโชคดีตลอดไปนะพอนุ่มนะครับพ่อเฒ่าผมลาเลยนะครับพ่อเฒ่าวัสดีครับเออเ อ, อวัสดีหมอต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะที่มารักษาพอนุม่มทั้งๆ ท, ท, ที่ตอนนั้นมันเป็นตอนกลางดึกนะด้วยความยินดีครับอ๋อพ่อเฒ่าอย่าลืมบอกลาศีลาด้วยนะครับบอกว่าอีกสองอาทิตย์ก็จะถึงวันคริสต์มาสแล้ว ที่โบดมีงานนะครับต้องพากันไปให้ได้นะพ่อเฒ่าโอ้แน่นอนพวกขา้าชาวแม่สเลียงต้องไปแน่นอนอยู่แล้วแล้วใจทางโบสจะรถมารับไหมพ่อเฒ่าโอ้ได้มันก็ดีไม่น้อย <c oughs> เพราะอาศัยรถสองแถวนี้ก็คงต้องไปกันหลายเถี่ยวเชียวละ <c oughs> วันนั้นชาวดอยแม่สเลีงนี่คงจะลงจากดอยไปรวมฉลองกันหมดละ <c oughs> งั้นผมจะลองปรึกษาผู้ใหญ่ดู ก, ก่อนได้ผลคืบหน้าอยังไงจะมาบอกให้รู้นะครับโอ้ได้เลยขอบคุณน้าหมอหนะครับ ผมไปก่อนแล้ครับครับหมอ อ, อพระท่าครับฝากขอบคุณศิลาด้วยนะฮะเอ อ, เ อ, อไม่ต้องห่วงขาจะบอกให้นะศิลาเออดีถ้าเองกลับมาแล้วไม่เห็นพ่อหนุ่มนะั้นเองจะรู้สึกยังไงกันนะถ้าทางลูกเราเป็นห่วงเป็นใ ย, ยพ่อหนุ่มนั้นเลอเกินคงจะไม่เสียใจจนร้องไห้โฮหรอกนะหวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้น พระยาวทรงช่วยลูกด้วยเถอ ฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment มีใครที่จับมือกันเดินไปในคืนที่ฟ้ามือมนแต่มันเหมือนทำเราว่างเปล่าไม่มีคนเข้าใจแม้ไม่เคยเจอใครสักคน อาจจะเคยมีคนที่เดินเคียงกันไปแต่ก็ตัวเหมือนไม่มีก็ชีวิตฉันยังว่างปลา่าไม่มีคนเข้าใจฉันต้องการแค่ใครสักคน ข้างกันที่จะพร้อมให้ความผูกพันจริงใจใครสักคนที่เป็นคนี่เสษช่วยเอาที่มี หวังและคอยบ่วงใ่ทุกวันใครที่คอยจะ อ, อยู่เคียงข้างกันที่จะพร้อมให้ความผูกพันจริงใจใครสักคนที่เป็นคนที่เศษช่วยให้เราที่มีด้จางหายไป แสงสว่างให้หัวใจอยากจะขอแค่ใครสักคนที่ อกมือลาเสียงเพลงคุ้มาต้องลาแล้วเพื่อนกิดปีจะลา ความหวังยังขิ่มรร้เก่าตายม่ไม่เสมอชีวิตที่ผ่านพบมีลบยังมีเพิ่มขอเพียงให้เหมือนเดิมกำลังใจ n the p l a n งรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment จะพี่เป็นอะไรไปหรือเปล่าไม่รู้สิเหมือนน่าจะมืดนะอ้อน้ามืดเหรอมาจะประคองไปนั่งใต้ต้นไม้นะอ๋อไม่ไม่ไม่เป็นไรจะพี่สูเวอย่าขัดขืนซีิเกิดเป็นลมล้มพับไปหัวกระแทกหินไม่ตายก็ลิ้ไม่โตนะฉันโตแล้วลี้ยังไงก็ไม่มีวันโตกับลิ้แล้วล่ะยังจะมีอารมณ์ขันอีก <c oughs> มานั่งที่ก่อนจาพี่ <c oughs> อ้าเป็นอะไรบูเกะ น้ำลายติดคองรไงไม่ใช่น้ำลายหรอกแต่เป็นความหวานมันเลี่ยนนะพี่ความหวานอะไรของเองอ่ะตายแล้วนี่พี่สุเวนไม่รู้อะไรเลยหรือไงฮะรู้อะไรก็ที่พี่กลับอือเอออะไรข้าทาไมไม่มีอะไรแล้วอ่าทำไมไม่พูดต่อเล่าก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนี่แหละนี่สีล่าอือเป็นอะไรมากหรือเปล่ารู้สึกหน้ามืดนะ่ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วล่ะ ฉันว่านะเธอนะ่ะพักผ่อนน้อยเมื่อแต่ปลนิบัติหนุ่มบางกอกนั่นนะ่ะตัวเองก็เลยไม่สบายแล้วเนี่ยอยู่ดีๆตัวเองก็ไม่สบายซะอย่างนั้นมันคุ้มกันไหมเนี่ยอย่าคิดอย่างนั้นสิโบเก้ซิล่าพูดถูกแล้วล่ะพูดถูกเรื่องอะไรก็เรื่องที่เอ็งว่าไงเล่าอย่าคิดอย่างนั้นคิดงั้นไงเอ็งเนี่ยชอบคิดอะไรในแง่ลบอยู่เรื่อยเอา แล้วจะให้คิดยังไงอะคิดยังแง่ดีไม่ได้เหรอพี่คิดดียังไงไม่มีใครว่าหรอกแต่สําหรับฉันฉันจะคิดของฉันแบบเนี้ใครจะทำไมฉัน <c ười> ใครก็จะมีปัญญาไปทําอะไรเองได้แล้วดีที่ไม่มีระวังเหอบุเกะระวังอะไรไม่ทราบคิดไม่ดีกับคนอื่นเีมันจะเข้าตัว <c ười> เข้าตัวเองอะไรอะ่ะก็เรื่องไม่ดีนะซีมันจะเข้าตัวเองนะจะบอกให้ไม่มีทางเอ <c ười> ว่าได้เลยแน่นอนเอาเถะขี้เกียจทะเลาะกับกเองละ ดีฉันเองก็ไม่อยากทะเลาะกับพี่เหมือนกันแหละฮะ่าร้อนจังเนาะสีลาจ้ะนั่งพักให้เห็นเหนื่อยก่อนก็นแล้วกันเอาน้ำมาหรือเปล่าอ่ะอฉันลืมอ่ะงั้นดื่มน้ำของฉันก็นแล้วกันนะออขอบใจมากอ่ะ เกาะนั่นแหะยังไม่ยอมไปซะทีะทำไมเหรออยู่ทำไมก็ไม่รู้ขวางหูขวางตาแล้เกินปากพร่ำว่าไม่อยากอยู่ที่นี่เห็นบ้านของเธอสกรปรกโสโครกไม่น่าอยู่แล้วไงป่านนี้ละยังไม่ยอมใส่หัวไปซะทีหน้าด้านหน้าทนอยู่จริงๆเลยฮบูเกพูดอะไรอะฮะก็พูดเรื่องจริงไงคิดมากนะ่าจริงๆนะศิลา ที่ยินเธอเล่าว่าเขารังเกียจบ้านเธออย่างโน้อนอย่างนี้ก็อดเจ็บแค้นแทนเธอไม่ได้คนบ้าอะไรมาใสยคนอื่นเขาแทๆ้ๆแต่กลับพูดจาให้เสียน้ําใจซะอย่างนั้นแหละปากดีๆอย่างนั้นน่ะมันต้องเอาขี้หม้ายยัดปากเทาบุเก้เธอเองก็เหมือนกันนะสีลาฉันทําไมหรออย่าเผลอปล่อยใจให้หมอนั่นเด็ดขาดนะทำไมล่ะหนุ่มบางกอกเชื่อใจไม่ได้รู้ไหมนี่ เธอขำไม่เชื่อฉันพูดหรือไงเธอไปเอาคำพูดนี้มาจากไหนใครบอกว่าคนบางกลอกไว้ใจไม่ได้นะโอ๊ยใครๆเขาก็พูดกันไปนเสียงเดียวนั่นแหละเธอมิจริงหรอกนี่ศิลาอย่าบอกนะการที่เธอเข้าข้างหมอ น, นั่นน่ะเพราะเธอแอบมีใจให้มันแล้วอย่างนั้นใช่มหมบูเกพูดอะไรอย่างนั้นนะเฮ่อแล้วมันจริงไหมล่ะม่จริงนะสิแน่ใจเหรอแน่สิแต่ฉันว่าไม่แน่นะฉันมั่นใจในตัว นายถึงสายตาฉันนะ่ะเมื่อเธอกำลังมีใจให้แกนายนั่นนะระวังฮึเดี๋ยวเธอจะเจ็บตัวเสียตัวฟรีนะไอ้หนุ่มบางกอกอะจอมหลอกลวงนะภูกเกคุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี่